ตอนนี้ไป <C oughs> <c oughs> ก็ขอฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ไม่มีผู้ฝึกใหม่ <c oughs> มีแต่คนเก่าก็จะขอพูดในได้คุยประสนายานเพ่อะ <c oughs> ว่าการเจริญปรัสนาญาณในการเจริญสมถะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานนี้ สมเด็จโตสมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกผู้ปฏิบัติว่าพระโยคาวจรก็พวกเราทั้งหมดนี่ก็ไปที่นาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะว่าการเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งแล้วก็เราก็มีโอกาสพบพุทธศาสนาในเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ได้มองพระศาสนาเฉย <c oughs> ก็มีโกาสเข้าไปอยู่ในขอบเขตคำวศาสนาการอยู่ในขอบเขตคำว่าศาสนานี่ก็ยังไม่แน่นักสําหรับคนบางคนบางท่านก็สักเจ้ว่าเข้าไปอยู่ในขอบเขตขำว่าศาสนาไม่มีอะไรที่ศาสนาเข้าไปถึงใจเลยแต่ว่าพวกเราเราผู้ประกอบกที่ไปชุมนุมกันอยู่วันนี้ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย แล้วก็พบพระพุทธศาสนาด้วยเข้ามาอยู่ในขอบเขตพระศาสนาด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ดึงน้ํำธรรมคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดังนั้นทุกท่านก็ควรจะภูมิใจในความดีของตัวว่าความดีเดิมของพวกเราอันดับแรกก่อนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ นี่ร่างกายมีอาการสารพิษสองครบควนก็ต้องถือว่าคนเก่าของเราก็คือหนึ่งสีดีคือว่ากรรมบทสิธ์ดีถ้าขาดสีข า, กาดกรรมบทสิทธิ์ก็เกิดเป็นร่างของมนุษย์ไม่ได้นี่อาศัยสีกรรมบทสิทธิ์ของเราดีมากการเกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบทั้งหมด ถ้ามีสินมีกรรบดสิกแต่ว่าบกพร่องก็เหตุที่ว่าบางท่านที่เกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมบูรณ์แบบบางทีมีอาการสาริษสองครบถ้วนแต่ว่าการสารพิษสองใช้ได้ไม่สะดวกนะัก <c oughs> หูเสียประสียบังตาเสียไปเสียบังบางบทีประสาทบางส่วนเสียบ้าง ในเวลาท่านทำหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ทั้งหมดถือว่าเป็นคนที่มีโชคดีที่สุดที่มีวิวัยวะทุกอย่างครบพ้นบริบูรณ์แล้วก็ใช้ได้ดีถ้าแต่วันเกิดนะแต่ต่อมาบางเอิญมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบางส่วนของวิาาวัฒน์นั่นเลยก็ไปเรื่องของการห้าด้วว่าวันเกิดใหม่ๆเขานํามาครบทุกอย่างเลยก็ดีทุกอย่างถือว่าเป็นโชคดี <c oughs> ไอ้ น, นี่ถือว่าทุนเดิมของเราดีมีสินและมีกรรมบทตสิคนนั้นดับที่สองรองออกไปที่เรมีเสื้อผ้าใช้มีข้าวกินมีสถานที่อยู่แล้วก็มีที่อยู่สุขสบายที่ถือว่าอยู่เป็นอย่างสบายกับธรรมเราสบายอย่างนี้มันหาที่ยากอันนี้มัสิ่อวน่น ก็ตรงถี่ว่าคุณเก่าของเราทําน่นด้านด้านทานนรมีของเราดี <c oughs> ถ้าว่าทานนรมีของเราไม่ดีจริงๆอยู่ก็ไม่ได้นานที่อยู่ไม่ได้นานไม่ใช่ไหมก็าบางท่านต้องสึกไปแล้วก็ไม่มีบุญไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คำไม่อยู่ไม่ได้นานเนี่ยถ้าเ้าอยู่กับเราอย่างนี้ใจเขาจะไม่สบายถึงแม่จะอยู่เขพรรษาแต่ใจมันไม่ครบ อย่างนี้ก็ถือว่าทา่านเขาดีน้อยไปหน่อยสำหรับผู้เราถึงแม้่าบางท่านจะบวชเฉพาะเวลาการเฉพาะคืออยู่แค่เบญสาเดียวแต่ว่าอยู่ได้จิตเป็นสุขทัางนี้ก็ถือว่าผลทานเดิมของท่านดียังสามารถจะมารับผลทานที่บุคคลอื่นบริจาคให้เรามีความอยู่เป็นสุขในเวลาการที่สอง เราลไปได้ทุงทานแต่หลักอาหารการบริโภคของเราถึงแม้ว่ายังต้องมีการจับจ่ายใช้สอยก็อยู่บ้านเราก็มีอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าเราจะใช้กันจริงๆค่าอาหารก็เห็นจะตกเดือนนับหมื่นบาทถ้าเราจะซื้อจริงๆกต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ซื้อส่วนซื้อน้อยเลอเกิดใช้จ่ายเพียงแค่เดือนสองสามพันบาทเื่อส่วนของสง แต่นอกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาช่วยการนี้เขาจะไม่ช่วยอย่างนี้ได้ถ้าว่าทานบารมีเดิมของเราไม่ดีหรือว่าเมตตาบารมีเดิมของเราไม่ดีไม่มีใครก็ให้กินเราจะดูตัวอย่างได้ทึ่วัดตดทวนที่เดูทั่วๆไปก็แล้วกันนะ มีบางวัดเท่านั้นที่มีความเป็นอยู่สมบูรณ์แบบมีหานการบริโภคสมบูรณ์แบบอย่างของเราไอ้ น, นี่เราไม่ได้โอดเขาแต่ที่พูดมานี่มหมายความทุกคนที่อยู่นี่ในชาติก่อนมีทานบารมีดีด้วยมีเมตตาบารมีดีด้วยพระาะาศที่เรามีทานบารมีดีเขาจึงให้เรากินให้เราใช้ให้ที่อยู่ ว่าสัยมีเมตตาบารมีดีเขาให้แล้วเขาก็ให้อีกไม่เลิกเมตตาบารมีนี่เป็นบาตุ่เก่าของทุกคนก็ดีมาแล้วต้องซ้อมแต่กันแล้วก็รต่การศึกษาภาษาการอบรมธรรมการอบรมธรรมในใช่กรอนงขางทุกท่านดีถ้าไม่ดีแล้ววัดนี้ไม่อยู่ไม่ได้นานหอกเพราะว่าจริยาของวัดนี้ไม่เหมือนที่อื่น ความระเบียบก็เสียงก้าวไม่น่าจะฟังมาสะท้านใจสาหรับคุณทั่วแต่ก็สบายใจสาหรับคุณดีนี่ในเมื่อทุกท่านฟังกันได้และก็อยู่กันได้โดยไม่สนดจใจก็สแสดงว่าอาศัยการอบรมธรรมเดิมของท่านดี <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องบิสูทธ์รวความว่าทุกท่านให้มีความรู้สึกตัวคนงท่านว่าท่านแร้กอบความดีกันมามาก และเวลานี้เราก็มาอยู่ในขอบเขตของความดีในรั้วเขตของความดีที่เป็นที่พิเศษนั่นก็คือพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จตั้งสมมาสังติเจ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระกรดีพระว่าดีที่เข้ามาอยู่ทุกคนก็ไม่ได้ยุ่งอยู่กับเรื่องเรื่องโลกาวิโรกีไสดมากเกินไป ด้านกําลังใจเป็นคมจันอันนี้ก็น่าจะชมเชยตัวเองแต่ว่าเมื่อชมเชยตัวเองไดู้้ความดีก็ชมได้แต่ว่าถ้าจะเห้ดีมันทรงตัวจริงๆก็ต้องมองชั่วไว้อย่ามองดีดีนี่เราไม่ต้องห่วงห่วงอย่างเดียวคือห่วงชั่ว้าว่าเราทําลายความชั่วได้หมดมันก็เหลือแต่ดีมีความสุข ตอนนี้มาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านหลายที่จะมานี่ทุกคนก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งจะต้องได้มโนยิทิมา ก, ก่อนซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นสูงมากในพุทธศาสนาและก็เป็นการปฏิบัติที่ยากอย่างยิ่งไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าทุกท่านเราปฏิบัติแค่ทุกวันสองวันสามวันก็ได้ที่เป็นอย่างนี้บางวันถ้าเราว่าง ก็น่าจะพบพ่วนตัวเองขึ้นไปเป้าองค์สมเด็จรสัมมาทิฏฐิเจ้าก็ควรถามว่าคุณธรรมแบบนี้ข้าพพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วกี่แสนชาติอย่าเป็นปฏิฐานมาเลยว่า ก, กี่ชาติมันต้องเป็นแสนแสนชาติมันถึงยันได้เร็วได้ปริการในสองที่นี่เราพูดกันถึงเรื่องพนิพธนร แต่ความจริงเรื่องพนิพพานนี่ที่ไหนเขาก็รำคาญมีบางจุดเท่านั้นที่เขาไม่รำคาญก็อะไรพนิพพานมันเป็นของรวงความง่ายถ้ากําลังใจไม่ถึงปรมัตถปรมีก็ถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลในกําลังใจเยอะแค่อบาปรมีนี่เขาพอใจแค่ฌานสมาบัติแต่เรื่องนิพพานนี่พูพดจะไม่ได้ แต่ได้หากว่ากําลังใจของท่านบุญไดเข้าถึงป ร, ม, ปรมัตตบาลมีกําลังใจของท่านนั้นย่อมพอใจในได้ขนงพระนิพพานในแดนนี้เราพูดกันที่นิพพานเท่ากับพอใจใจจะ่ปสบายจะ <c oughs> รวมความว่าความดีที่ท่านท้หลายบำเป็นมาในอดีตและก็ในปัจจุบันก็มาส่งเสริมความดีเดิม ก็เชื่อว่าเป็นการเสริมให้เข้าถึงใกล้นิพาน์อย่างยิ่งดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูดสันนิพันธ์แบบยอ่อการที่จะปฏิบัติตนเพนื่อสนิพพันธ์แบบย่อยยอ่อคือกําลังใจสูงอย่างนี้ก็ามาดังพูดกันมากถ้าพูดกันมากมันก็เกิดความสันนานแต่ว่าพูดน้อยพูดน้อยฉันแบบคนโง่เขาก็ไม่รู้เรื่อง ใตในฐานะที่พวกท่านทั้งหมดทั้งอุบาสุกุมบาจีกายก็ เ, เป็นคนฉลาดวันนี้จะขอพูดอย่างพูดกับคนฉลาดการก้าวไปสู่พุทธิพันฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์มีสามจุดคือหนึ่งตัดโลภะความโลกสองตัดโทสะความโกรธ สามตัดโมหะความหลงมีเท่านี้อี่พระพุทธเจ้าต้องขูดมากก็พระพวา่าซึ่งปัญญาของคนไม่เสมอกันแล้วก็ที่พูดว่าตัดสามจุดนี่ก็ยังยาวไปนะถ้าแกตัดให้ ย, หยอดก็เรียกว่าตัดจุดเดียวคือสกายทิทิฏิที่ไม่สนใจในรูป แต่ว่าเราก็ใช้กันาม้อบเพื่อคนเข้าใจง่ายเพื่อกำลังใจคนไม่เสมอกันแต่พูด3ามจุดนี้หวังว่าทุกคนเข้าใจแน่วิธีการตัดโลภความโลภมีถ้าเราจะใช้แต่วัตถุอย่างเดียวไม่มีผลถ้าการให้ด้วยวัตถุอย่างเดียวหรือการให้ด้วยกาลังกายอย่างเดียวนี้ ผลไม่อยู่ขั้นกามาวาจรสวรรค์นี่การให้ต้องให้ทางกําลังใจด้วยการให้ทางกําลังใจมียังไงคือว่าให้แบบเบาทางกําลังใจก็เรียกว่าจิตตั้งอยู่ในจาระนุตติกรมฐานเป็นปกติเพื่อลมจิตของเรามีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์ จิตเราไม่คิ ด, ยดอย่ยยื้อแย่งทรัพย์สินและคดโกงทรัพย์สินของบุคคลสุวใดทางด้านวัตถุเราก็ให้ให้ใหตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เพราอว่าถ้าไม่ให้แล้วไม่เกิดความโลภ ก, การตัดความโลภต้องดเนการให้แต่การให้มีก็ต้องประกอบด้วยเมตตาปราณี หรือว่ากาุณาความสงสารเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ก่อนที่จะให้วัตถุก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปก่อนว่าควรให้หรือไม่ควรให้ถ้าก็นำไปแล้วไปใช้ด้ทานในิ่สร้างความเดือดร้อนให้ก่บตนกับคนอื่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสันติว่าไม่ควรให้ก็ทานในทางสอนเลยว่าควรให้แก่บุคคลที่ควรให้ และก็จงไม่ให้แกบุคคลที่ไม่ควรให้นี่ก็ต้องที่จะนาไม่ใช่ว่าใครมาก็ให้แต่ว่าถ้าบังเอิญเราให้แบบปัสสาวะสร้างความบังคาก็ให้ส่งเด็ดโดยไม่หวังผลคือหมายก็ให้กับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเฉยๆก็ชี้ว่าการให้ดีกว่าให้สัตว์ปิฎก ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมด้วยแล้วเบียดเกกบียนกคนอื่นด้วยอย่างนีเราเรียกสัจจะานที่มีความจงรักภักดีดีกว่าให้กับหมาดีว่าให้กับคนพูดง่ายๆคนประเภทนั้นไม่กดให้นี่เป็นว่าการให้โดยการวัตถกุก็เป็นการให้เพื่อการตัดกําลังใจส่วนนอกเป็นการป้องกันความโลภส่วนนอก แต่ว่าที่จะตัดกันได้จริงๆก็ต้องอาศัยการให้ทางใจซือจา ก, า, กน า, านุสติกรรมฐานโดยคิดการจะให้เท่าที่เราจะให้ก็มานั่งพิจารณาตามความจริงว่าคนที่เขารวยแสนรวยมีทรัพย์ถิ่นมากทุกคนเนี่ยตายแล้วแบกทรัพย์ถิ่นไปได้หรือเปล่า แล้ว็มีใครบ้างจงใช้กำลังใจที่เป็นทิพย์คือทิพยภิญญานทดเจอนาดูว่าคนที่รวยๆแล้วก็ตายลงอเวจีมหารรนรกจะมีไหมตั้งนี้ก็เรียกว่าเขารวยผิดหรือว่ารวยไม่ผิดแต่ว่ารักษากำลังรักษาษทรัพย์ผิดคือดนีที่เหนียวเกินไป เาไม่คดไม่โกงใครแต่ทว่ากําลังใจของเขาเวลาจะตายกลุ่มเพราะเกรงว่าทรัพย์มันจะสลายตัวเขาลุกหลานปกครองไม่ได้ตอนที่พระพุทธเจ้ากล่ ว, ว่าจิตเตสังคีริตเพ ท, ทุ ก, กติปาดีกลางขาเวลาจะตายถ้าจิตใจเศหมองก็ไปสูตรทุ ก, กติอันนี้ก็ต้องพิจารมาด้วยกำลังจิตเป็นทิ เราหารได้แตไม่ยากจะนั้นวิธีที่เก้าเปโศนี้ไปก็คือหนึ่งตัดโลภะแต่ว่าสำหรับพระวัิก็จงอย่าเข้าใจผิดคขาว่าตัดโลภะความโลภนี่เขาไม่ได้หมายความไม่หากินหรือว่ามีเท่าไรกินเท่านั้นอันนี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงสองทรงแนะนำในใช้คำว่าอุทธธานสมทาน จงถึงพร้อมในความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและก็สั ม, ม า, าชีวะวงประกอบอาชีพโดยถูกทำรรที่ไม่เบียดไม่เบียดเบียงใครนั่นก็ต้องดูตัวอย่างนาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาธิเมกะมหาเศรษฐีตัวอย่างทั้งสองท่านนี้ท่านเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่ แต่ท่านก็ยังทำมาหากินกันตามปกติถ้าหาว่าท่านจะไม่หากินเลยนะทรัพย์สินของท่านไม่หมดกินกันไปเท่าไรใช้กันไปเท่าไรก็ไม่หมดแต่ท่านก็ยังหากินใช้กินในสัมมาชีวะดัะนั้นคนที่ไม่โลภคือไม่ใช่คนไม่หากินคนหากินจนแล้อยากจะเป็นมีเป็นกหาบุตีก็ได้มีฐานะเป็นกฐาบุตีอยากจะเป็นอนุเสถีก็ได้ จะเป็นอนุเสถีอยากจะเป็นมหาเสรษฐีก็ได้แต่อย่ากโกงใครเขาทาด้วยความบริสุทธิ์ทำด้วยความวิญญามั่นเพียรถ้าอย่างนี้ก็จะไปหาของโลกนะอย่างนี้เ้าเรียกสัมมาชีวะถ้ากำลังใจของทุกท่านโซนที่พื้นที่สุดสมันเนนก็จิตของเราอยู่ในขอบเขตคิดวิรัทธ์ขินย่อมมีความหมายสาหรับชีวิต แม้แต่พระเจ้า ก, ก็ทรงรับถวายด้านทรัพย์ถินรับมากกว่าเราซีภาพพรทขาสบายถึงรับอย่างดีแสนดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินรีก็ดีพระรหัตทุกแผงก็ดีไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินคือว่าถ้าร่างกายมันจำเป็นต้องกินต้องใช้ก็งกินต้องใช้แต่เวลากินก็ต้องกินแบบคนกินเพื่ออยู่ คือพิจารณาเป็นนาหาเรติโกติ ย, ยาไม่ติดในรสทาหารคําว่าไม่ติดในรสทหารนีม่มาปีที่แล้วฟังข่าวก้าเราก็จะจะเคร่งมากไปถ้ามันอ่อนเค็มก็ไม่เติมเค็มอ่อนเปรีย้ยวไม่เติมเปื่อยวอันนี้มากไปหน่อยถ้าร่างกายมันต้องการเค็มก็เติมเค็มร่างกายต้องการเปืี้ยวก็เติมเปรี้ยวต้องการนต้องการเสร็ก็เติมเสร็จ แต่เราไม่ติดบางทีกระทั่งว่าถ้าไม่มีสิ่จกินมันกินไม่ได้นั่งแล้วคนไม่ไหวต้องหาโน่นหานี่อย่างนี่เท่ากัติดในร่างกายในขาดแบบไหนแล้วก็ให้มันแบบนั้นเท่าที่มันมีแต่ก่อนจะกินเข้าไปก็เปลี่ยนมาว่าออาหารแต่เปลี่ยนมีเรื่องร่างกายร่างกายมันก็ไม่ส่งตัวอาหารมาจะพื้นฐานเรื่องการสุขโปรภร่างกายของเราก็สุขโปรภรรดีสุด เรากินดีก็ตายเรากินไม่ดีก็ตายอาหารมากก็ตายอาหารน้อยก็ตายอาหารมากมายดีเท่าไหนก็กินอิ่อาหารน้อยก็กินอิ่ฉะนั้นเรากินให้อิ่มให้ร่างกายมันส่แเราคิดว่าถ้าร่างกายตรงอยู่เราจะสรงพระธรรมคำสอนพระสงฆเป็นสมมาสมุทิเจ้าให้ขังอยู่ในใจของเรา ไม่ใชต้องการอาหารอาหารขังกายอย่างเดียวกินเข้าไปคือกินธรรมะคือกินอาหาเรเริยบรโดยสัญญาอย่างนี้ที่ว่าเป็นการกินที่ถูกต้องก็ลงความอันดับแรกก้าวแรกที่เราจะถึงนิพพาน <c oughs> เราไปเห็นนิพพานกันได้เราไปถึงนิพพานได้จะคิดว่าจะอยู่นิพพานได้แน่นอนนะ ถ้ากาลังใจงเขาทำไม่สามารถจะเปลื้มความโลภได้แต่ก็มันก็ไปไม่ได้แค่ไปเห็นแล้วก็กลับตายแล้วอาจจะไปทักอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เพราะกำลังใจไม่ขเข้มแข็งพอนี่แวร์การดีสองโทสะ์ก้าดสองที่เข้าไปที่นิพพานได้ก็ใช้โทสะตัดโทสตวิธีตัดโพสต์นี่นตัดง่าย ตัดไม่ยากเขาว่าจะไปหาทางตัดที่ที่ผมบอกว่าต้องใช้ปรมรีหารสีหรือกระสินสีอันนี้ก็เป็นพระพุทธคดบทบาลีะองค์สมิตตสัมมาสัมติทจาแต่วิธีตัดแบบนั้นก็เป็นวิธีตัดข้องคนโง่ไปนิดหนึ่งคือโง่ไม่มากที่เรียกว่าปัญญายังไม่ละเอียดพอ คนที่มีปัญญาละเอียดพอในอย่างคณะบริษัทที่มันนั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องไปตัดด้วยพมิหารศีลด้วไม่ต้องไปตัดด้วยกสินศีจุดเทียจตัดจุดเดียวคือมานะการถือตัวถือตนถ้าเราไม่มีมานะการถือตัวถือตนเพียอย่างเดียวความไอโทสะมันก็ไม่มีเลย ถ้ากด้คือว่าถ้ามานะมันมีแต่เราคอยยับยั้งด้วยกำลังใจโทสะมันก็ลดก็ยับยั้งกำลังใจมานะเราถือตัวถ้าเราถือว่าเราดีกว่าเขา เ, เอยเขามาจับมือเขา เ, เพื่อนด้วยเราก็โกรธถ้าเราคิดว่าเราเลวกว่าเขาคนที่เราคิดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเราก็อมองเห็นหน้าเราเขาระเราก็หาว่าเขาย่อเย้เราก็โกรธ าหากว่าเราคิดว่าเราเสมอเขาแต่บังเอ่ยเขามาพูดคําโตไินิดเราก็โกรธนี่ไอความโกรธมันเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมานะ ก, การถือตัวที่ตนหรือ ว, ว่ามีมานะว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราบ้านเป็นของเราทรัพย์สินเป็นของเราคนนั้นเป็นของเราร่างกายเป็นของเราถ้าหาว่ายังถือว่าเป็นเราเป็นเขายังไม่คิดว่าสภาวะต่างๆมันแค่วัตถุ คนก็วัตถุสัตรูวัตถุสิ่งของนั่นแต่ก็วัตถุวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการส่งตัวเกินแล้วก็สลายตัวไปฉะนั้นเราจริงๆเพื่อทุติยธารในกายไอ้ของที่ไม่มีความหมายทั้งหมดนี้ถูกถ้ามันเป็นของของเราเราต้องรักษาแต่ถ้าว่ามันบังเอิญจะต้องสลายไปด้วยเหเ ต, ตุการามจำเป็นก็เป็นเรื่องของมันมันแล้กกวกันแล้กกวกัน ใจอย่าเข้าไปติดแต่ว่ากิจที่จะต้องทําอะไรก็ทำไปช่องหายแจ้งความเจังนาทีจะหมแล้วก็แจ้งตามระเบียบไม่งั้นคดีหาวเราไปขายแต่บุคคลอย่เข้ามากระทบร้ายแจ้งเจังนาทีจับก็ต้องทำเป็นการปงกันตัวก็ทำแต่สิ่งที่มันแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ติดใจแต่เรื่องข้อเบี่ยงทาตามระเบียบวางใจไว้เสีย และบริการที่สืสารก็ตัดโมหะความหลงตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสรุปตัดโมหะความหลงวิธีตัดก็ตัดง่ายว่าคนรวยทุกคนรวยเพราะความโลภเขาตายทุกตาก้คนนี้มีทรัพย์สินนับเป็นหมื่นๆล้านมนุษย์จะแก่ไหมและคนนี้ก็ป่วยแค่ไม่สบายไหม แล้วพวกนี้ ใ, ใจเขาเป็นสุขตลอดเวลาหรือเปล่าได้ในที่สุดเขาตายหรือเปล่าสัพย์ผินทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่เขาปกครองอยู่หามันได้โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างมันช่วยอะไรเขาได้บ้างขณะที่เขาจะตายหรือ ว, ว่าเขาเวลาที่เขาจะแก่เขาไม่ต้องการแก่นี่คนรวยแล้วเขาห้ามมันได้ไหม คนรวยทองน้ำมันน่าจะไม่ป่วยเพราะมีเงินรักษาตัวมีเงินป้องกรรันนอกและคนมวยมันป่วยรักษาแล้วคนรวยน่าจะซื้อชีวิตได้ด้วยเงินสักพันล้านสองพันล้านแล้วก็มีเงินหมื่นล้านแล้วถ้าป้องกันได้ไหมก็รวมกว่าว่าป้องกันไม่ได้าฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินต่างๆก็ดีภายนอกหรือว่าร่างกายคือเลือดเนื้อของเราคนดีที่มีภายใน นี่ก็จัดว่าเป็นโลภยาทรัพย์ส่วนหนึ่งโยเฉพอะอย่างยิ่งร่างกายของเรานี่เป็นโลภยาทรัพย์ที่เราต้องการรักของแห่มันมากที่สุดยิ่งทรัพย์อื่นใดไปไหม้บ้านเราอาจจะให้มันไหม้ได้แต่เราไม่ยอมไม่ยอมให้มันไหม้ตัวเราไปไหม้เงินไม่ทองของที่รักอย่างยิ่งสำหรับเราเราอาจจะไม่ได้เราเดือดร้อนไม่กันแต่เดือดร้อนไม่มากไม่มากพาไปไหม้ตัวเรา เ่าไปไม่ตัวเรานิดหนึ่งเราก็เดือดร้อนมากที่เะเห็นได้ว่าทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดคือร่างกายไปดูคนอื่นเขาที่มีทรัพย์มากเขาแก่มีทรัพย์มากเขาป่วยมีทรัพย์มากเขาตายเจเราได้เราจะไปนั่งติดทรัพโ์ทยูจ่จนกระทั่งคิดว่ามันก็เราจะไม่จากกันมันจะตกือ ละแต่ลราการมีสองมองไปดูนได้ขอนโทสะไอการมานะถือตัวถือตนถ้าตัดตัวนี้ได้เมื่อไรแล้วก็โรสะมันไม่เหลือแต่งานตามหน้าที่ต้องทำเพราะถ้าเรายังมีมานะทีถ่ถือว่าเราดีกว่าเขาเนี่เราป่วยไหมเราตายไหม ย, ย้าถือว่าเราเลวว่าเขามันก็ไปถทกพระราชาที่ดันดีดีสดท่านป่วยท่านตายหรือเปล่า ป็นแก่เราเพราะว่าเราจะเสมอเขามาเสมอไทรเห็นคนหนุ่มเราหนุ่มเท่าเขาอายเุเพียงยี่สิบคิดว่าเราหนุ่มเท่ามันแล้ววะก็ ค, คิดว่าหนุ่มอยู่เอยแต่สักวันหนึ่งขนาดมันกับแกไปจะไหวยังไงมันก็ไม่สตัวรรวมว่าถ้าเราตัดมานะการถือตัวทุกคนถือว่าทุกสิง่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมาดา คนที่เกิดมาในโล ก, กมีคนสองประเภทคือคนหยาบกับคนละเอียดปูยง่ายเขาเรก่าคนดีกับคนเลวถ้าเราเข้าไปในกลุ่มของคนเลวก็ต้องคิดว่าวาทะอย่างนี้จะต้องมีกับเราอาการจริยาอย่างนี้ของเขาจะต้องมีกับเราเราก็สบายใจคิดเข้าไปรับเสียถือว่าเป็นธรรมดาของเขา ถ้าเข้าในกลุ่มของคนเลวแล้วก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีนนความละเอียด อ, อ่อนทั้งหมดเป็ น, นควาเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรียบร้อยละเอียดอ่อนตามเขาอย่างีมันก็สบายใจรวมความมั่นสุขรวมความรักคนดีก็ตามคนเลวก็ตา่างเขาต้องตายถ้าชีวิตไม่เกิดมาเพื่อกะทกกระท่านชีวิตไม่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ทําไมเราจะติดที่ลาบเกินไป ทำไมเราจึงจะหลงความโกรธระวางสองตัวอย่างนี้จะได้ไหมถ้าวางได้ไมาไรแล้วก็ไปนิพพานวันนั้นวิธีที่จะไปนิพพานก็คิดเห็นโทษของสัพโลกียะสัพย์เห็นโทษของความมนณฑิตรูทีตนเห็นโทษไม่ผิดล่อยเลยนเห็นโทษว่าถ้าเราเกาะมันเกินไปก็เป็นโทษเดือดร้อน ถ้าถือตัวถือตนเกินไปจะมันเครื่องเดือดร้อนถือตัวไม่เจ้าว่าต้องถือตัวบ้างต่อทุกคนไม่มากมนักเขียนราวเป็นพระต้องรู้จักตัวว่ า, าเป็นพระบุญบาตกอุญบาติกายต้องรู้จักตัวบุบาตรบุญกายจะไปกินเหล้ามายาจะทำไม่ได้นี่คือตนมีทีแค่นี้ถือได้ได้านงความดีถ้ากําลังใจก็ทุกท่านทําได้อย่างนี้นะ แล้วก็ทุกวันยามว่างในจิตว่างเอาจิตไปจับปนิพันเ์็นพาดเอาายของท่านที่ภายในสมเดนั่งอยู่หน้าองค์สมเด็จพระจอมไตรโลมสาสุนทดให้จิตมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งเจรนาบางเวลามีก็พป็นนาโทษกราคะความรักโกรธโลภความโลภโสดความโกรธ เท่านี้ไม่ต้องเป็นบนมันไม่มองความหลงเพราะเราไม่ติดไอ้สามตัวความหลงมั่นก็ไม่เกิดถ้าต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงกาลวงจิตให้มัน่นกาหนดรู้หลงไม่ใจเท่าออกใช้คำภมวนาและพิจารณาตามปติยาสายชิงกว่าจะมวิญญาณบอกหมดเวลา